ตอนที่สิบี่บรรยากาศเริ่มไม่ชอบมาผากลในวันที่หลีชิงผิงและหลีหวานย้ายบ้านเจิงอวินชงได้เดินทางมาช่วยงานพวกนางไม่มีข้าวของอะไรมากมายนักมีเพียงเครื่องนอนไม่กี่ชุดกับถ้วยโถโอชามเท่านั้นลานบ้านหลังเล็กจําเป็นต้องได้รับการปัดกวาดเช็ดถูทั้งในและนอกให้สะอาดเอี่ยมเจิงอวินชงจึงรับหน้าที่ทําความสะอาดบริเวณลานบ้านส่วนหลีชิงผิงและหลีหวานรับหน้าที่ทําความสะอาดภายในตัวบ้านเวลาเพียงวันเดียวก็ทําความสะอาดจนเกือบเสร็จสิ้น ทุกคนยุ่งกันตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาประมาณหกโมเย็นมื้อเที่ยงก็กินเพียงหมันโถทอดแบบง่ายๆเท่านั้นเสื้อผ้าบนร่างของเจิ้งอวิ๋งเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุนนะ่นหนาววันนี้เขาเป็นคนที่ลงแรงขยันขันแข็ ง, ข ง, ขงที่สุดแม่จะพวกเราเลี้ยงกว้านทางปะคุณอเจิ้งดีไหมหลีวานเอ่ยรั้งให้เจิ้งอวิ๋งชงอยู่กินมือ้อข่ามได้กันแถวนี้มีร้านขายซาลาเปาและหูลาทางอยู่ไม่ไกลซื้อกลับมากินก็สะดวกมากได้จ้ะลีชิงผิงยิ้มตอบเดี๋ยวแม่ไปซื้อเองหนูไปเองจ้ ลิวันหยิบเงินจากมือหลีชิงผิงแล้ววิ่งเหยาะๆออกไปซื้ออาหารวันนี้ขอบคุณคุณมากนะคะหลีชิงผิงรินน้ำส่งให้เจิ้งอวิน๋นฉงนางสังเกตเห็นฝุ่นบนเสื้อผ้าของเขาเอ๊ะเสื้อผ้าคุณสกมากเลยให้ฉันซักให้ไหมคะเจิ้งอวิ๋นฉงตั้งใจจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่จู่ๆเขาก็ชุก ค, คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงพยักหน้าเบาๆแล้วตอบว่าตกลงครับเพียงแต่ตอนนี้เขาไม่มีชุดเปลี่ยน หลี่ชิงพิงจึงบอกให้เขาเอาเสื้อผ้าที่สกรปรกมาให้ในวันพรุ่งนี้แทนในตาสีเข้มของเจิ้งอวิงจ้องมองไปยังหลี่ชิงพิงในบรรดาเครื่องหน้าอัน ง, งดงามของหญิงสาวสิ่งที่ทําให้ผู้คนไม่อาจละสายตาได้ที่สุดก็คือดวงตาที่เป็นประกายคู่นี้ช่างงดงามเหลือเกินมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรติดหน้าฉันหลี่ชิงพิงเห็นเขาจ้องมองไม่วางตาจึงยกมือขึ้นเช็ดหน้าโดยสัญชาตญาณเช็ดอยู่นานก็ไม่รู้ว่าสะอาดหรือยังไม่มีอะไรครับสะอาดมาก เสีงอวิ๋นฉงเอ่ยเสียงนุ่มหลีชิงผิงขานรับในลำคออืมทั้งสองนั่งอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งหลีหวานซื้อซาลาเปากลับมาหลีหวานเองก็สัมผัสได้ว่าบรรยากาศระหว่างคนทั้งสองเริ่มไม่ชอบมาพากลมุมปาก ข, ของนางยกขึ้นเล็กน้อยหื้หดูเท่าว่าจะมีลุ้นเสียแล้วดูเหมือนว่าแม่ของนางกําลังจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้หลีหวานไม่เคยคัดค้านหากหลีชิงผิงจะหาคู่ใหม่ ในทางกลับกันหากนางสามารถแต่งงานใหม่กับชายหนุ่มที่ยอดเยี่ยมได้หลิวหวานในฐานะลูกสาวมีแต่จะยกมือสนับสนุนเต็มที่โจเจียนเย่ยคงจะแต่งงานกับหลิวเคอเคอในอีกไม่ช้าหากหลี่ชิงพิงต้องอยู่ยางโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิตหลิวหวานเองก็คงไม่สบายใจเป้าหมายที่แท้จริงของหลิวหวานในอนาคตคือการเรียนและยกระดับความสามารถของตนเองแน่นอนว่าคงไม่มีเวลาอยู่เป็นเพื่อหลี่ชิงพิงได้ตลอดหากหลี่ชิงพิงกล้าที่จะกล้าไปข้างหน้าอีกก้าวหลิวหวานจะยินดีกับนางมาก แม่จะดื่มน้ำหน่อยก่อนนอนหลีหวานส่งน้ำผู้วิญญาณให้หลีชิงผิงหนึ่งแก้วเสี่ยหวานถ้าลูกกลัวคืนนี้เรานอนด้วยกันก็ได้นะหลีชิงผิงกังวลว่าลูกสาวจะหวาดกลัวเพราะวันนี้เพิ่งย้ายมาวันแรกแม้แต่ตัวนางเองยังรู้สึกไม่ค่อยชินแม่จะห้องของเราอยู่ห่างกันแค่กำแพงกันเองหนูไม่กลัวหรอกจะ้ะหลีหวานเร่งให้หลีชิงผิงดื่มน้ำผู้วิญญาณจนหมดหลีชิงผิงอาจจะไม่ทันสังเกตว่าช่วงนี้ผิวพรรณของนางละเอียดลอขึ้นมาก ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากน้ําผู้วิญญาณนั่นเองเสี่ยววันคืนนี้รีบนอนนะพรุ่งนี้เราต้องไปรายงานตัวที่โรงเรียนกันหลังจากหลีชิงทิ้งกําชับอย่างละเอียดแล้วพอนางเอ็นตัวลงนอนไม่นานก็หลับสนิทไปทางด้านหลีหวานในที่สุดนางก็สามารถเข้าไปในมิติได้อย่างไร้กังวลเสียทีหลายวันที่ผ่านมานับตั้งแต่ทะลุ ม, มิติมานางต้องนอนกับหลีชิงทิ้งตลอดจึงทําได้เพียงแอบเข้าไปในมิติช่วงกลางคืนและอยู่ได้ไม่นานก็ต้องรีบออกมา คืนนี้นางเก็บเกี่ยวสมร้อยปีที่ปลูกไว้หลายหมู่ก่อนจากนั้นจึงเริ่มปลูกต้นกล้าชุดใหม่ลงไปแล้วปิดท้ายด้วยการรดน้ําผู้วิญญาณสมุนไพรในโกดังตอนนี้เต็มจนลดหลีหวานไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินทองจึงยังไม่คิดจะขายสมุนไพรในตอนนี้สมุนไพรของนางล้วนมีคุณภาพดีเยี่ยมอีกทั้งนางยังอายุน้อยหากออกไปทําการค้าขายย่อมต้องดึงดูดปัญหาที่ไม่จําเป็นมาสู่ตัวแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการเร่งส่วนสูง ร่างกายนี้ขาดสารอาหารมาเป็นเวลานานทําให้แม้จะอายุสิบกว่าปีแล้วแต่กลับมีส่วนสูงเท่ากับเด็กแปดก้าขวบเท่านั้นลีวันใฝ่ฝันว่าในอนาคตตนเองจะต้องเป็นสาวสวยทรงเสน่ห์มากนางพญาดังนั้นส่วนสูงต้องตามให้ทันจะให้มาถ่วงแข้งถ่วงขาไม่ได้เด็กขาดก่อนนอนลีวันดื่มยาต้มสีดำธรรมัญชามใหญ่นางฝืนทนความรู้สึกคลื่นไส้ที่ตีตื้นขึ้นมาในลําไส้แล้วกลืนมาลงไปหวานเป็นลมขมเป็นยา เหตุผลหลักที่แพทย์แผนจีนเริ่มมีชื่อเสียงน้อยกว่าแพทย์แผนปัจจุบันก็เพราะยามันขมเกินไปนี่แหละขมจนแม้แต่หลี่วันเองยังแทบจะดื่มไม่ลงแต่ยาจีนก็มีข้อดีของมันคือฤทธิ์ยาค่อนข้างอ่อนโยนและไม่ทําลายร่างกายส่วนยาแผนปัจจุบันก็มีข้อดีตรงที่กินง่ายไม่ขมเกินไปบางเม็ดยังมีการเคลือบน้ําตาลเอาไว้ด้วยสําหรับผู้ใหญ่ยังพอว่าแต่โดยเฉพาะเด็กๆนั้นยาจีนเป็นสิ่งที่พวกเขาดื่มไม่ได้เลยจริงๆ ลิวันรีบบิบลูกอมนมตรากระต่ายขาวมากินหนึ่งเม็ดเพื่อดับรสขมพรุ่งนี้ยังมีเรื่องอื่นต้องทําหลังจากดื่มยาเสร็จลหวานก็พลอยหลับไปนอกจากเรื่องยาแล้วหากต้องการให้ร่างกายเติบโตคุณภาพการนอนหลับก็ต้องดีด้วยลิวันต้องมั่นใจว่าตนเองนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอหมู่บ้านเทียนสยุยการที่โจเจี้ยนเย่ยจู่จู่ก็กลับมาบ้านในครั้งนี้ทาเอาหนิวซูเฟินตกใจไม่น้อย โจเจียนเ ย, ย่กำลังอัดอั้นด้วยคำถามมากมายที่อยากจะถามแม่ของเขาแต่ใครจะไปรู้ว่าพอเห็นใบหน้าของหญิงชราที่เต็มไปด้วยรอยเขียวช้าเขาก็ถึงกับอึ้งไปแม่นี่แม่เป็นอะไรไปครับไปล้มท่าไหนถึงได้เป็นแบบนี้คําถามที่เตรียมมาจ่ออยู่ที่ปากของโจเจียนเย่ยถูกกลืนกลับลงไปเขาขมวดคิ้วแน่นไม่เพียงแต่แม่ของเขาที่หน้าตาบวมปูดแม้แต่ใบหน้าของน้องสาวเขาก็ไม่มีที่ว่างดีๆเลยนี่นี่ถูกคนดุมตีมางนั้นหรือเมื่อคิดได้ดังนั้นโทรศัพท์ของโจเจียนเย่ยก็พุ่งพานขึ้นมาทันที แม่ใครตีพวกแม่จนเป็นแบบนี้บอกผมมาผมจะไปคิดบัญชีกับพวกมันเองช่างรังแกกันเกินไปแล้วโลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่บ้างไหมตีคนจนสภาพดูไม่ได้ขนาดนี้แกกลับมาก็ดีแล้วแกเห็นจดหมายที่แม่ส่งไปให้หรือเปล่าบาดแผลบนใบหน้าของหนิวซูเฟินเพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆดร้อนร้อนตอนนี้การพูดจาจึงค่อนข้างลาบากแต่นางต้องพูดลูกเอ๋ออีหลีชิงผิงนั่นมันหนีตามผู้ชายไปแล้ว มันหอบเอาเงินสองพันหยวนของบ้านเราหนีไปไหนก็ไม่รู้แม่ไปตามตัวมันที่บ้านตระกูลีแต่กลับไม่ได้ตัวคนมาแถมพวกมันยังรุมตีแม่กับน้องสาวแกจนสภาพเป็นผีแบบนี้ช่างไร้เหตุผลสิ้นดีนิวซูเฟินเอ๋ยพลางซีปากด้วยความเจ็บปวดแม่บอกแกตั้งนานแล้วว่านังนั่นมันไม่ใช่คนดีแต่แกก็ไม่เคยฟังตอนนี้มันทําบ้านเราพังพินาศขนาดนี้ครั้งนี้แกคงเชื่อคําที่แม่พูดแล้วใช่ไหมมันเทียบนักข่าวเคอเคอไม่ได้เลยสักนิดแกกับเคอเคอต่างหากที่เป็นกิ่งทองไปหยกกัน พูดจบหนิวซูเฟินก็รู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วนางแทบรอไม่ไหวที่จะให้ลูกชายภาคลิวเคอเคอกลับมาจริงด้วยครั้งก่อนแกบอกแม่ว่าถ้าภารกิจครั้งนี้ราบรื่นจะได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่เหรอและตอนนี้แกเป็นอะไรแล้วสิ่งที่หนิวซูเฟินภาคภูมิใจที่สุดก็คือความสามารถของลูกชายนางแม่ครับที่ผมกลับมาครั้งนี้ก็เพราะเรื่องของหลีชิงผิงนั่นแหละโจจี้นเย่ขมวดคิ้วมุ่น นางไม่ได้หนีไปที่อื่นแต่นางพาเสียยวัวนไปที่เมืองจริงนางพูดบางอย่างกับผมผมเลยกลับมาเพื่อพิสูจน์ความจริงจากแม่ผมอยากรู้ว่าระหว่างพวกแม่สองคนใครกันแน่ที่พูดจริงใครกันแน่ที่โกหกอะไรนะนางแพทยานั่นมันกล้าดียังไงถึงขนาดมีหน้าพาลูกไปหาเรื่องแกถึงเมืองจริงเชียวหรือเอาเถอะแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นรีบไปลากร่างตัวสวยนั่นกลับมาเดี๋ยวนี้